ต่อไปนะถามว่าอารักขาโคจรนี่เป็นชนหนตอบว่าภิกษุในพระศาสนานี้ไปสู่ลําดับเรือนเดินไปตามทางทอดซ้ายตาลงมีปกติเหลือบดูชั่วแอกสํารวมไปไม่เดินดูช่างใหม่เดินดูมา้าใหม่เดินดูรถใหม่เดินดูคนเดินเท้าใหม่เดินดูหญิงใหม่เดินดูชายไม่เดินแงนดูไม่ดูดาวอนะ แล้วก็ไม่เดินก้มดูไม่ก้มจนเกินไปเหมือนข้าของหายเดินหาของไม่ใช่อย่างนั้นอีกก็เรียกว่าไม่เดินเหลียวดูไม่เหลียวซ้ายเหลียวขวาแม้ในทิศน้อยทิศใหญ่ยังให้เรียกว่าอารักขาโคจรเขาบอกว่าโคจรอันเป็นเครื่องรักษากล่าวคือสติอย่างนั้นเด็กสติอันนี้เนี่ยนะถ้าเป็นพระพิกูจน์เนี่ยจะชัดเลยว่าพระ อ, องค์เนี่ยบอกว่า ให้มีตาทอดลงไปในละแวกบ้านเป็นด้านนี้มีพระวินัยกำกับไว้เลยเพิ่งทำศึกษาว่าเราจักมีตาทอดลงไปในละแวกบ้านว่งงางั้นนะนะเพราะฉะนั้นก็คือให้เดินเป็นไปตามนี้แล้วก็สังวรเอาไว้เพราะว่าถ้าไปมองตามที่ว่าเนี่ยเป็นเหตุแห่งบาปได้ทั้งหมดเลยนะเช่นเดินดูช้างนี่ก็เป็นเหตุแห่งบาปประธรรมได้นะเดินดูช้างไปเอ๊อยากเป็นเจ้าของช้างบ้างอะไรอย่างนี้แย่เลยนะจน เ, จนเจนท่าน โครจรอันแรกเรียกว่าโครจรที่เข้าไปเอาอุปนิสัยมาเนี่ยนะโครจรที่สองก็คือติดตัวไปเลยเนี่ยนะส่วนโครจรที่สามเลยนะว่าโครจรเป็นเครื่องเข้าไปผูกจิตไว้กล่าวคือกรรมฐานโครจรอันนี้หมายถึงกรรมฐานอุปนิพันธะเนี่ยนิพันธะเนี่ยแปลว่าเข้าไปผูกกันนะเข้าไปผูกไว้อะ นิพพานธาตุแล้วว่าผูกถามว่าเป็นชไหนตอบว่าได้แก่สติปัฐานสี่อันเป็นที่ภิกษุนำจิตเข้าไปผูกไว้ข้อนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นโคจระเป็นวิสัยบิดาของตนของภิกษุเล่าว่า ง, งั้นเรียกว่าเป็นวิสัยคือเป็นอารมณ์ของบิดา โคจระโคจรวิสัยบิดาของตนของทิกษูนี้คืออะไรเล่าได้แก่สติปทานสี่ดังนี้เนี่ยนะที่กล่าวว่าสติปทานสีเนี่ยนะเป็นวิสัยคือเป็นอารมณ์ของบิดาในที่นี้ก็คือธรรมะที่เป็นวิสัยคือเป็นอารมณ์ของพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบิดาแห่งตนอันทรงเห็นแล้วพระองค์นี้ทรงแสดงแล้ว พระพุทธเจ้านี่ทรงเห็นสติปฐานใช่ไหมเห็นฐานของสติคือกายเวทนาจิตธรรมแล้วพระองค์ก็เอาสิ่งเหล่านี้มาแสดงแสดงให้เห็นให้เห็นธรรมะเหล่านั้นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตและเห็นธรรมเนี่ยนะถ้าเห็นเห็นอย่างไรเห็นในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะก็บอกว่าพิสูจนในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ก็บอกว่าพิจารณาโดยอาการสามพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างนแล้วก็ สติของเธอที่เข้าไปตั้งมั่นเนี่ยนะอยู่ว่าไอ้กายอ น, นั้นเนี่ยเป็นเพียงศักว่าเป็นที่อาศัยรู้เพียงศักว่าเป็นที่อาศัยรละลึกเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่เข้าไปอาศัยไม่เข้าไปผูกพันในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นนะแต่หลักสําคัญที่สุดก็คือพิจารณาเป็นภายในเป็นภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอ ก, ท, นอกทั้งเหตุเกิดทั้งความดับทั้งเหตุเกิดและความดับเลยนะสามารถยั่งถึงอารมณ์นั้นแบบนั้น จึงจะเชื่อว่าสติปัฏฐานถามว่าเจริญสติปัฏฐานเพื่ออะไรรู้ไหมดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกนนะเป็นทางสายเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์นะทางนี้เป็นทางสายเดียวสายเอกเนี่ยคือทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงโซกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตเพื่อบรุญญายธรรมคืออริยมรรหรือนิพพานเพื่อทําให้แจ้งพระนิพพานพาันเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะพิจารณาอย่างไรก็อย่างที่ว่าไปใช่ไหมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างทั้งภายนอกบ้างเห็นความเกิดบ้างเห็นความเสื่อมบ้างทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมบ้างอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเจริญสติปัฏฐาน งมาถ้าแปลแบบภาษาง่ายๆก็ว่า เ, ออเจริญเพื่อจะได้เลิกร้องไห้ทันทีนึ่ร้องไห้กับอารมณ์นั้นนันมานานแล้วก็ว่ากันเสี ย, ยใจกับอารมณ์นั้นนันมามากแล้วตั้งกันนี้ต่อไปพอกันทีว่า ง, งันเลยมาเจริญสติปัะฐานว่ากันทำมาเจริญสติปัะฐานเสี ย, ยใจต่อไปอีกแน่แต่ก็อย่าลืมว่านะเจริญเนี่ยองประกอบของการเจริญมีเท่าไหร่อาตาปีสัมปชานุสติมา นนะองค์ประกอบของการปฏิบัติคือหนึ่งมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรวินัยโลเกเนี่ยคำว่าวินัยนี่แปลว่ากําจัดวินัยตัวนั้นเป็นชื่อของสมาธิเพราะฉะนั้นมีสติมีปัญญามีวิริยะมีสมาธิสี่อย่างในการปฏิบัติแล้วก็องค์ของการละเนี่ยเมื่อเจริญอย่างนี้ละอะไรได้ละอภิชาและโทมานต์ถามว่าเมื่อเจริญสี่อย่างละอภิชาและโทมานต์ถามว่าเห็นอะไรเห็นกาย เห็นกายนี่เห็นยังไงเห็นเป็นภายในเห็นเป็นภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกเห็นเกิดเห็นเสื่อมเห็นเหตุเกิดและเห็นความเสื่อมทั้งเหตุเกิดและความเสื่อมเพื่อที่จะได้ไม่มีอุปาทานในอารมณ์เหล่านั้นต่อไปถ้าอุปาทานเกิดอะไรเกิดถ้าอุปาทานเกิดพบเกิดพบมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะเาเรียกพบในนั้นเนี่ยนะกามาพบเนี่ยแบ่งออกเป็นได้แก่เจตนา20 ในเจตนา20มีโทสะอยู่ในนั้นด้วยสองอันในโทสะเนี่ยเป็นเหตุนะโทสะเนี่ยโทมนัสก็อยู่ในนั้นอุปาญาตก็อยู่ในนั้นโสกะปริเทวะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยเดี๋ยนะในโทสะมูลจิตเจตนาที่เกิดร่วมกับโทสะมูลจิตนั้นอันทุกทุกอารมณ์ก่อให้เกิดโทสะได้หมดเดี๋ยนะถ้าไม่รอบรู้อารมณ์เหล่านั้นนั้นจริงๆอย่างไรเสียต้องมีโทสะอย่างแน่นอนเดี๋ยวนะ แต่ถ้ารอบรู้อารมณ์เหล่านั้นก็อารมณ์เหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดโทสะใช้คาว่ารอบรู้นะต้องรู้จริงๆนะมันใช่เห็นเฉยๆว่ารู้หรือยังรู้รู้แต่ว่ารู้ยังไม่หมดอะนะต้องรู้จนถึงขนาดว่าถ้ารู้จริงๆอ่ะรู้ว่ายังไงเอางี้นะถ้ารู้จักรู้จักเสียงจริงๆอะรู้จักเสียงเนรู้จักเสียงเนี่ยรู้จริงๆได้ไงรู้จักเสียงรู้จักเหตุเกิดแห่งเสียง รู้จักความดับเสียงรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเสียงรู้จักเหตุเกิดของเสียงความดับของเสียงอัาธาของเสียงอาทีนวะของเสียงแล้วก็นิสระณะของเสียงจึงจะรู้จักเสียงจริงๆนะรู้แล้วพ้นทุกได้อ่ะจึงจะรู้จริงถ้ารู้แล้วไม่พ้นทุกเนี่ยนะโอ้งั้นนั่งฟังเพลงทั้งวันก็ได้ยินเสียงทั้งวันแล้วก็นั่นแหละแต่ว่าเอ๊ะทุกจะมากขึ้นเรื่อยๆดูท่าแล้วเพราะฉะนั้น ภิกษุเป็นผู้เข้าถึงแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วมาถึงแล้วมาถึงพร้อมแล้วเข้าถึงแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระและโคจาระดีนะด้วยอาจาระคือมรน ญ, ญาติที่ว่าไปเนี่ยนะแต่กว้างขวางเหลือเกินมัน ญ, ญาติเนี่ยศีลทั้งหมดนั่นแหละโคจาระโคจาระทั้งสามอย่างคืออุปนิสยโคจรอาระะักะ โคจรและก็อุปนิพันธะโคจรเนี่ยถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรแม้เพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจระดังนี้ทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยนะคำว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรนี้เป็นคําแสดงถึงธรรมะที่ช่วยอุปการะแก่ปาติโมฆขสังวรถ้าขาดอาจาระและโคจระเสียแล้วปาติโมฆขสังวรก็ดํารงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธพจน์จึงแสดงถึง อาจาระโคจระต่อจากคำว่าปาติโมกเพราะสิ่งเหล่านี้เกื้อกูลอุปการะทำให้ปาติโมกดำรงอยู่ได้และเป็นเหตุให้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงสู ง, ส ง, สงต่อไปเห็นไหมอุปนิพันธโคโจรนี่ ค, คล้ายๆกับโคจระสัมปัญญะทั้งโคจระและอาสมโมหะแต่ว่าเน้นที่อาสมโมหะเพราะสติปัะฐานนี้เป็นอาสมโมหะสัมปัญะ เจนพรสติประฐานจริงๆนะคื อ, อ, อสัมปชัญญะมี4นะสติประธานเป็นอาศัมโมหะสัมปชัญญะแต่อันนี้ก็อยู่ในโคจระสัมปชัญญะด้วยนนก็ถ้าโคจระสัมปชัญญะก็ น, นู่<ก>น น, น, นะนอารักขานี่ยนะพวกอารักขาเป็นต้นนั่นเจนพรเพราะฉะนั้นถ้าเอ๊ะทำอย่างข้อที่ว่าเนี่ยนะไม่ดูช่างไม่ดูม้าไม่ดูรถไม่ดูคนเดินเท่าไม่ดูชายไม่ดูหญิงไม่ดูไม่แง้นดูไม่ก้มดูไม่เลี้ยวดู แล้จะให้ดูอะไรคะนี้ถ้าไม่เจริญกรรมฐานไปใช่ไหมมีสติเจริญกรรมฐานไปด้วยนั่นแหละคือไปกับกรรมฐานน่ยนะแทนที่จะไปรับรู้อารมณ์ที่ไหนก็นไม่รู้ใช่ไหมถ้าใครเคยเจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะเดินทางแล้วเจริญพุทธคุณไปด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็จะสังเกตเห็นชัดเจนขึ้นเช่นเจริญกรรมฐานในขณะที่เดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะเดินไม่เรียบเร่งนะัดก็เจริญกรรมฐานไปเรื่อยๆ แทนที่จะคิดเรื่องอื่นไปเรื่อยเปื่อยใช่มแทนที่จะร้องเพลงก็มาสวดมนต์ไปเรื่อยอย่างเงี้ยสวดแบบเข้าใจนะแต่ถ้าจะเอาแบบเป็นยาวๆก็สวดมนต์เอากายจะหมดเวลาเดี๋ยวเอาให้จบตรงนี้ก่อนพรุ่งนี้จะได้ขึ้นอินทรีย์สังวรได้คำว่ามีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลายมากว่าเล็กน้อยคือเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณเล็กน้อย ที่เป็นประเภทเป็นอกุศสลจิตตุบบาทเป็นต้นอันเป็นเสขียวัดที่ภิกษุมิได้ตั้งใจจะล่วงว่างั้นเถอะเขาบอกว่าในอัตกถาไอดีกาที่บายว่ามีสภาวะที่เห็นโทษมีประมาณน้อยอย่างยิ่งทำเหมือนเท่าภูเขาสีเนรุสูงถึงห8ล้านแปดแสนยดเขาว่างั้นหรือมีสภาวะเห็นอาบัต เพียงทุพภาสิทธ์ซึ่งมีโทษเบาวกว่าอาบัตทั้งหมดกระทําอบัตนั้นให้เท่ากับอบัตปาราชิกมองเห็นว่าจะพูดแซวใครสักคนหนึ่งเนี่ยกระทบผิวผานโอ๊ยเขาเหมือนหยกล้วยเขาเหมือนงาช้างอะไรก็ว่าไปเล่นๆอย่างนี้นะคำๆสนุกสนุกไปอย่างนี้เห็นว่าคําเท่านั้นเนี่ยเหมือนกับจะล่วงปาราชิกได้อย่างงี้แหละเขาเรียกว่าเห็นภัยในโทษมาตว่าเล็กน้อยเนี่ยนะแทนที่จะไปแซวแซวใครคํำๆเล่ น, ๆ, ลนๆก็เห็นโทษว่าคําพูดนั้นมีโทษเท่ากับ ปรราชิกได้ยังไงเขเรียกว่าเห็นภายในโทษมากว่าเล็กน้อยแล้วก็คำว่าย่อมสมาทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายความว่าศีลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาศิขาบทที่ภิกษุพึงศึกษาภิกษุย่อมถือเอาโดยชอบศึกษาศีลนั้นทั้งหมดก็ในเรื่องนี้ด้วยคำเพียงเท่านี้เป็นผู้ เ, เป็นผู้สํารวมแล้วด้วยปาติโมคขาสังวร ดังนี้เป็นอันทรงแสดงปาติโมขะสังวรศีลไว้ด้วยเทสนาอันเป็นบุคลาทิฐานหมายไปที่บุคคลนะบุคคลผู้มีศีลแบบนี้ส่วนคำว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจาระเนี่ยนะที่เป็นต้นนะคือมีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลายมาดว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในศิคาบททั้งหลายเนี่ยนะเพิ่งทราบว่าตรัสไว้เพื่อแสดงข้อปฏิบัต โดยประการที่ศีนั้นจะสําเร็จบุแก่บุคคลผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติไปตามนี้นะจึงจะรักษาปาติมโมกได้ถ้าไม่ปฏิบัติที่เรียกว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระเลขโกจรมีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลายมาศว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิขาบททั้งหลายเนี่ยนะถ้าข้อปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวนี้ปาติมโมกขสังวรก็ไม่สามารถที่จะดํารงอยู่ได้เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเห็นอบับทุภาสสิเท่ากับภูเขาได้ นะหรือเห็นอบัติทุพภัสตใหญ่เท่ากับอบัตปาราชิกได้แสดงว่าผู้อนาคตรักษาศีลได้มั่นคงเขว่างั้นขนาดฝุ่นเล็กๆยังไม่ยังไม่ประมาทเลยใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าหากว่ารั้วบ้านเนี่ยเขบอกว่าขนาดหนูยังรอดเข้าไม่ได้ไม่ต้องกล่าวไปถึงช้างถึงมานะ้านะยังไงก็เข้าไม่ได้หรือมันโดดข้ามเลยนะในเรื่องเกี่ยวกับ ปาติโมกขสังวรศีนก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ส่วนวันต่อๆไปก็จะได้กล่าวถึงเรื่องของอินทรีย์สังวรศีนเนี่ยนะเพราะว่าอินทรีย์สังวรศีนเนี่ยมีความสําคัญมากต่อปาติโมกขสังวรศีนเพราะว่าตัวปาติโมกขสังวรเ น, นี่ยเหมือนกับข้าวกล้าอินทรีย์สังวรศีนเหมือนกับรั้วรอบขอบชิดนะถ้ารั้วไม่ดีกุศลศีลเหล่านั้นหายหมดแหละเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรนี้ก็ เป็นธรรมะที่ควรศึกษาให้เข้าใจแล้วก็เกื้อกูลต่อการเจริญกุศลในชีวิตมากถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิธีการเจริญอินทรีย์สังวรศีลเนี่ยนะเราก็อาจจะปล่อยเวลาให้ล่วงไปกับบาปสัส่วนใหญ่เห็นไหมแต่ถ้าเข้าใจในเรื่องอินทรีย์สังวรดีแล้วเห็นอารมณ์อะไรก็เป็นอารมณมณปัจจัยของกุศลจิตได้หมดโยนิโสมนสิการเป็นต้นก็จะไม่ยากนัก